ที่ว่าก้าวหนึ่งนั้นดังเรือก้าวหน้าตรงกันข้ามกับถอยหลังคือถ้าใครก้าวหน้าก็หมายความว่าคนนั้นไม่ถอยหลังและถ้าใครถอยหลังก็หมายความว่าคนนั้นไม่ก้าวหน้าเพราะการก้าวหน้ากับถอยหลังทําพร้อมกันไม่ได้ทีนี้เราจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์ว่าที่ว่าก้าวหน้าก้าวหน้านั้นคือการก้าวไปไหนกันแน่ตํารวจจัดการคึกคักทันสมัยเช่นทุกวันนี้มีตํารวจบก ตำรวจน้ำตำรวจอากาศตำรวจมาจนกระทั่งตำรวจสุนัขเราก็ว่าตำรวจก้าวหน้าอีกมุมหนึ่งพวกผู้ร้ายเปิดการปล้นอย่างมโหฬารฆ่าเจ้าซับตายได้มากได้เงินทองมากทําลายประวัติการในวงการผู้ร้ายไอเสือเขาก็ว่าเขาก้าวหน้าเหมือนกันโรงพยาบาลรักษาคนไข้ลดจํานวนคนตายลงได้มากๆคนก็ชมว่า โรงพยาบาลนั้นกนะ้าวหน้าส่วนพวกสับปเปลอตามวัดถ้ามีคนตายมากๆได้เผากันไม่มีวันว่างเผาทั้งกลางวันกลางคืนเขาก็ว่างงานของเขาก้าวหน้าเหมือนกันข้าพเจ้าจริงว่าโลกเรานี้หน้าอยู่ทางไหนหลังอยู่ทางไหนกันแน่หรือว่ามันกลมเหมือนส้มไม่มีหน้ามีหลังตามธรรมดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน และล่วงเลยไปก่อนเราเรียกว่าหลังส่วนที่เกิดขึ้นใหม่เราเรียกว่าหน้าเช่นชาติก่อนคือชาติที่ผ่านมาแล้วเราเรียกว่าชาติหลังส่วนชาติที่เกิดต่อไปเราเรียกว่าชาติหน้าชายหญิงที่เกิดรักกันแม้จะถูกขัดขวางจากพ่อแม่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้เป็นผัวเมียกันจนได้ท่านว่าเขาเป็นคู่สร้างแต่ปางหลังเอาไว้เท่านี้ก่อน ข่าเขียนมากคิดมากประเดี๋ยวจะยุ่งเลยหาหน้าหาหลังไม่เจออีกถ้าว่าถึงตัวคนเราหลังกับหน้ามันดีไม่เท่ากันของดีๆมารวมกันอยู่ข้างหน้าหมดตาก็อยู่ข้างหน้าปากก็อยู่ข้างหน้าจมูกก็อยู่ข้างหน้าและอะไรอีกหลายอย่างคิดดูเองก็แล้วกันข้างหลังไม่เห็นมีอะไรดีว้าเหว่เต็มที เอาธรรมชาติมาเป็นเครื่องพิจารณาอย่างนี้เลยทำให้ได้ข้อสังเกตเพิ่มอีกอย่างหนึ่งว่าข้างหน้าดีกว่าข้างหลังเพราะเหตุนี้กระมังคนที่จรจาถ้อยทีเข้าหากันเราจึงพูดว่าหันหน้าเข้าหากันคือหมายความว่าหันดีเข้าหากันถึงแม้จะอยู่กันคนละเมืองหรือนั่งหันหลังให้กันแต่ถ้าต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยมีทางที่จะตกลงกันได้ ก็ยังเรียกว่าหันหน้าเข้าหากันอยู่นั่นเองส่วนคนที่พูดไม่มีทางจะตกลงกันได้เช่นคนกําลังทะเลาะกันแม้หันหน้าประจัญกันอยู่ก็ต้องเรียกว่าหันหลังให้กันคนเราก็มีอยู่สองเหลี่ยมนี่แหละคือเหลี่ยมหน้าเป็นเหลี่ยมดีเหลี่ยมหลังเป็นเหลี่ยมไม่ดีหรือถ้าจะว่ากันให้รอบตัวก็ยังมีอีกเหลี่ยมหนึ่งครึ่งหน้าครึ่งหลังคือเหลี่ยมข้าง เหลี่ยมข้างนี้ครึ่งดีครึ่งเสียคนที่พูดไม่ฟังเหตุผลของใครดันทุรังเขาจึงพูดว่าเอาข้างเข้าถูที่พูดมาตอนนี้อยากจะชี้ให้เห็นคำว่าหน้าใช้แทนคาดีก็ได้ตรงกันข้ามกับคำว่าหลังใช้แทนคาว่าเสียก็ได้เพราะฉะนั้นที่ว่าก้าวหน้าก้าวหน้าก็ต้องหมายความว่าก้าวไปข้างดี ถ้าก้าไปข้างเสียก็เรียกว่าถอยหลังย้อนหลังไปอีกเอาเรื่องทั่วไปของมนุษย์มาประกอบพิจารณาเราจะได้ความรู้ว่า 1. เรื่องที่อยู่อาศัยของมนุษย์แต่หนหลังคือเมื่อหลายพันปีมาแล้วอยู่ตามป่าแล้วจึงค่อยวิวัฒนาการมารู้จักทํากระท่อมทําบ้านเรือนจนกระทั่งสร้างตึกอยู่ 2. การทำมาหากินก็เริ่มแต่ไล่จับสัตว์กินแย่งกันกินจนกระทั่งมารู้จักลัทธิในการทำมาหากินอย่างทุกวันนี้ 3. เรื่องนิสัยใจคอเริ่มแต่โ ง, ง่และโหดร้ายคล้ายสัตว์ป่าแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นฉลาดและมีเมตตาการุณาต่อกันและบูชามนุษยธรรมเท่านี้ก็จะสิ้นเรื่องได้ความชัดเลยที่ว่าก้าวหน้าคือก้าวไปในทางดีทางเจริญเท่านั้น เช่นในเรื่องที่อยู่ปีนี้บ้านยังไม่มีอุตสาเก็บสตางไว้ปีหน้าปลูกกระท่อมสักหลังปีต่อไปปลูกเรือนต่อไปอีกสร้างตึกอยู่อย่างนี้เรียกว่าก้าวหน้าตรงกันข้ามถ้าปีกลายปลูกตึกเสียม้าเสียโปต้องขายตึกลงอยู่บ้านต่อไปขายบ้านลงอยู่กระท่อมหักข้าวกระท่อมก็จะไม่มีจะอยู่ ต้องเรียร่อนนอนตามต้นไม้อย่างนี้เรียกว่าถอยหลังคือมันถอยไปหาสภาพของมนุษย์หลายพันปีมาแล้วเรื่องการทำมาหากินปีกลายเป็นอลูกจ้างอุตสาหะทำดีได้เลื่อนเป็นหัวหน้าคนงานเป็นนายงานจนกระทั่งเป็นเจ้าของงานนี้ก้าวหน้าตรงกันข้ามถ้าลดลงข้างต่ามีงานทำกินอยู่ก็รักษางานไม่ได้ มีแต่ต่ำต้อยถอยลงจนกระทั่งต้องทำมาหากินในทางทุจริตช่อเขากินโกงเขากินแย่งเขากินลักเขากินปล้นเขากินนี่แหละถอยหลังคือมันถอยคืนไปโน่นไปหาตอนมนุษย์อยู่ตามป่าฆ่ากันกินเพราะฉะนั้นพวกผู้ร้ายปล้นเขากินที่ว่ามาตอนต้นนั้นต่อให้ทาการปล้นทางเครื่องบินก็ต้องเรียกว่าถอยหลังอยู่นั่นเอง เรื่องนิสัยใจคอมนุษย์ก็เริ่มต้นด้วยความโง่และหยาบคายแล้วมาพบธรรมะภายหลังทำให้นิสัยประณีตขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครละนิสัยโหดร้ายหยาบคายได้มากเท่าไหร่มีเมตตาการุณาเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่มีความฉลาดมากขึ้นเท่าไหร่ก็เรียกว่าก้าวหน้าไปได้เท่านั้นแต่ถ้าใครยิ่งเกิดนานยิ่งร้ายมากธรรมะในใจยิ่งดับสูญไปนิสัยคนป่ายิ่งปรากฏมากขึ้น ก็เรียกว่าถอยหลังรวมความว่าที่ว่าก้าวหน้าก้าวหน้านั้นหมายความว่าสร้างความดีความเจริญได้มากขึ้นความดีความเจริญนั่นแหละเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าของคนไม่ใช่หมายความว่าใครบ่ายหน้าไปทางไหนอยู่แล้วก็จะต้องก้าวไปทางนั้นเสมอไปรถมันเบนออกนอกทางแล้วยังขืนเร่งน้ำมันอีกก็ลงคลองตายกันเท่านั้นเอง การที่รู้ว่าตัวเดินทางผิดแล้วไม่กลับใจกลับตัวยิ่งสร้างกรรมทําบาปหนักขึ้นนั่นไม่ใช่กาหนาเป็นการดันทุรังเป็นการถอยหลังถ้าถอยไม่หยุดมันก็ลงนรกกันเท่านั้นเอง